หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานข้อข อ, ขอหลักสมถะาที่เป็นฐานหลักปฏิบัติที่แสดงไว้ในบาลีคือพระไตรปิฎกแม้จะมาในที่ต่างแห่งก็มักมีข้อความบรรยายไว้อย่างเดียวกันเป็นสำนวนแบบที่ค่อนข้างตายตัวว่าโดยทั่วไป สำนวนแบบที่แสดงหลักปฏิบัติครบทั้งสมถะและวิปัสสนาต่อเนื่องกันมีอยู่สองสำนวนและทั้งสองสำนวนล้วนแสดงหลักปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นวิปัสสนาครอบยอดสมถะคือมำเป็นสมถะจนครบท้วนบริบูรณ์จนถึงสุดยอดของสมถะก่อนแล้วจึงหันมาจเจริญวิปัสสนาต่อท้ายจัดได้ว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติแบบสูงสุดในที่นี้จะคัดหมายดูทั้งสองแบบ และเพื่อให้คําอธิบายชัดเจนกับทั้งเพื่อให้สมเป็นมาตรฐานสูงสุดแท้จริงจึงจะคัดเอาข้อความที่บรรยายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งสองสำนวนดังนี้สำนวนแบบ ท, ที่แสดงหลักปฏิบัติครบทั้งสมถะและวิปัสสนาต่อเนื่องกันสำนวนที่หนึ่งเป็นแบบ ท, ที่พบบ่อยและคุ้นตากันที่สุดสแสดงฌาน4ต่อด้วยวิชชาสาเช่นในมหาสัจจกสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาต พระพุทธองค์ตรัสกับสัจจการิชนเล่าถึงคืนวันตรัสรู้สำนวนเป็นดังนี้ดูกะอัิเวสชนะเรานั้นแลฉันอาหารหยาบให้กายได้กำลังแล้วสังัดจากการมทั้งหลายสงกัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌาบนบรรลุทุติยฌาบนตตาบรรลุตัติยฌานบรรลุจตุตฌานอยู่เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีฟ้ามัวปราศจากอุปกิเลสเป็นของนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญานญาณที่ให้ระลึกถึงขันอันเคยอาศัยอยู่ในก่อนได้คือระลึกชาติได้วิชาที่หนึ่งนี้แลเราบรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานยานกำหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมวิชาที่สองนี้แลเราบรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรีอวิชชาถูกกำจัดแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวะคยายานยานที่ทำให้สิ้นอาสวะคือเท่ากับตรัสรู้เรานั้นรูช้ชัดตามที่มันเป็นว่านี้ทุกนี้ทุกัตสมุ ท, ทยัยนิทุกัณิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารู้ชัดตามที่มันเป็นว่าเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามิมีปฏิปทาเรานั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอาวิชชาสวะเมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็มียานว่าหลุดพ้นแล้วเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีวิชาที่สามนี้แลเราบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีอวิชชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว สํานวนแบบที่แสดงการบําเพ็ญสมถะจนครบถ้วนบริบูรณ์ถึงสุดยอดของสมถะกรแล้วจึงหันมาเจริญวิปัสสนาต่อถายอย่างนี้พบในที่อื่นๆอีกหลายแห่งส่วนข้อความที่ว่าฉันอาหารหยาบให้กายได้กําลังแล้วในมหาสัจจกสูตดนี้บางแห่งต่างออกไปเป็นความเพียรเราได้ระดมแล้วไม่ย่อย่อนสติดํารงมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับ ไม่กระสักกระสายจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์หนึ่งเดียวจากนั้นก็มีข้อความเป็นสำนวนตามแบบต่อไปสำนวนแบบที่หนึ่งซึ่งบรรยายลำดับการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกโดยทั่วไปก็มีข้อความอย่างเดียวกันนี้ต่างแต่เพียงไม่มีข้อความที่กล่าวว่าฉันอาหารหยาบให้กายได้กำลังแล้วและที่ระบุว่าวิชาที่หนึ่งนี้แลเราบรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรี วิชาที่สองนี้แลเราบรรลุแล้วในมัชิมญามแห่งราตรีและวิชาที่สามนี้แลเราบรรลุแล้วในปัจฉิมญามแห่งราตรีอวิชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นบางแห่งกล่าวถึงการน้อมจิตไปเพื่อวิชาถึง8ประการมิใช่วิชาเพียงสาเหมือนในที่นี้วิชา8คือหนึ่งญาณทัศนะ ซึ่งย า, านัทสนะนี้พระอัตถกถาเรียกว่าเป็นวิปาาัสนาญาณวิชาที่สองมโนมัยาพินิ ม, มานวิชานี้เท่ากับมโนมยิธิคือเนอรมิตกายอื่นจากกายนี้วิชาที่สอิทธิวิทาคือแสดงฤทธิ์ต่างๆวิชาที่สี่ทิ พ, พโสดคือหูทิพวิชาที่หเจโตปริยญาณคือรู้ใจคนอื่นวิชาที่6 บเพนิวาสานุสติยานวิชาที่7จุดุตูปปาตายานและวิชาที่8อาสวักคยายานและบางแห่งกล่าวถึงการน้อมจิตไปเพื่อวิชาข้อสุดท้ายคืออาสวักคยายานเพียงอย่างเดียว